ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยบากบั่นมุ่งสู่มุ่งไปสู่หลักใยไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสาเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ช่วยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉ่วยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาเสียแล้วและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบาั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เรารับไปรับขอพระเจ้าทรงอวยพระพร สวัสดีครับสวัสดีครั บ, รบธรรมดาก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่คริสตจักรนะฮะแต่ว่าวันนี้ต้องขอการต้อนรับจากสมาชิกของคริสตจักรวัฒนานะครับยินดีที่ได้กลับมาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เผยพระวจนะคำะในเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งและโดยเฉพาะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สําคัญอีกเช้าหนึ่งเลยที่เรามาเฉลิมฉลอง ในสิ่งที่พระเยซูได้ทำไปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วคือการเสด็จเข้ามาในกรุงแล้วก็พร้อมที่จะน้อมรับน้ำพระทัยของพระบิดาในเช้าวันนี้พระเจนะคำเทศที่จะมาถึงเรานั้นผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดคุณมานั่งในคริสตจักรนี้แล้วหวังว่าจะได้รับกำลังใจหรือความสู้ส่า ก, กลับไปหรือว่าได้รับความ เชิญชมยินดีกลับไปในเช้าวนันนี้ผมขอบอกว่าอ า, อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับท่านนะครับเพราะว่าพระวจนะคำในเช้าวนันนี้เป็นพระวจนะคำที่ค่อนข้างที่จะจะเรียกว่าอย่างไงดีล่ะตรงไปตรงมาแล้วก็อาจจะสำหรับบางท่านอาจจะรู้สึกถึงความหดหู่ของพระวจนะคำแต่ผมอยากจะเริ่มต้นในเช้าวันนี้โดยการ ที่เหล่านั้นขอให้พระเจ้านั้นได้เสด็จลงมาแล้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับเราแล้วไม่ว่าพระองค์จะตรัสอะไรสิ่งที่พระองค์จะตรัสกับเรานั้นขอให้เราได้น้อมรับเหมือนกับที่พระเยซูน้อมรับน้าพระทัยของพระบิดาในเช้านี้ก่อนที่ผมจะเริ่มเทศนาขอให้เราได้สงบใจก้มศีรษะหลับตาแล้วก็ให้พระเจ้าได้อวยพรเราด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรง เสด็จลงมาใกล้ๆและตรัสในสิ่งที่พระองค์ต้องการจะตรัสไม่ใช่แค่กับสมาชิกในคริสตจักรแต่กับคณะผู้ปกครองมัคณายกมัคคณายกาขอพระองค์ทรงตรัสกับสิทธยาพิบาลตรัสกับข้าพระองค์เองผู้เป็นผู้เทศนาตรัสกับทุกคนที่ต้องการที่จะได้ยินเสียงของพระองค์พระองค์เจ้าข้าและขอที่ข้าพระองค์จะน้อมรับพระสูเสียงของพระองค์การท้าทายของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ด้วย ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า a เมนในชีวิตของผมนั้นผมเติบโตขึ้นมาผมบอกได้เลยว่าผมเป็นคนที่รักความสนุกสะดวกสบายผมเป็นคนที่ชอบอตั้งความสุขไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของผมคือถ้าอะไรไม่สุขผมก็จะไม่ทําชีวิตของผมค้นหาความสุขแล้วก็ าการได้อยู่กับความสุขนั้นคื อ, คอเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของผมจริงถ้าบางสิ่งบางอย่างนะมันไม่สนุกมันไม่สะดวกมันไม่สบายในชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยผมก็จะไม่ทำอะไรที่มันสนุกสะดวกและสบายเป็นสิ่งที่ผมนั้นจะทำแน่นอนเวลาที่ผมเติบโตขึ้นมาผมก็ต้องทำเขาเรียกว่า personality test ของ Myers-Briggs ก็จะไปไปทดสอบตัวเองว่าตัวเองนั้นมีบุคลิกภาพยังไงมีลักษณะนิสัยยังไงมันจะมีตัวหนึ่งที่แยกออกมาก็คือตัว T กับตัว E ตัว T สสำหรับอะไรนะครับมีใครทราบบ้างตัว T สสำหรับ Thinker ก็คือใช้ใช้ความคิดในการตัดสินใจต่างๆในชีวิตแล้วก็ตัว E ก็คือใช้หรือว่าขอโทษตัว f ใช้ เ uh, feeling เป็นความรู้สึกในการตัดสินใจของผมเวลาททำแบบทดสอบออกมาแล้วผมก็ค้นพบว่าเวลาที่ผมจะตัดสินใจทำอะไรต่างๆในชีวิตของผมตัว e มันจะหลุดขอบออกมาเลยนะฮะสุดตรงตัวตัว t นั้นไม่ค่อยมีเพราะว่าผมเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ใช้ความคิดในการตัดสินใจเท่าไหร่ใช้ความอะไรครับรู้สึกเพราะฉะนั้นอะไรที่ เป็นความรู้สึกที่ดีผมก็จะทำอะไรที่เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีผมก็จะไม่ทำอะไรที่ผมกินแล้วผมรู้สึกว่าแฮปปี้ผมก็จะกินพี่น้องช่วยพยักหน้าหน่อยใช่ไหมครับหมูกรอบใช่ไหมครับใช่ไหฮะเบคอนใช่ไหมฮ ะ, เ, เ, มะเป็นเป็นสิ่งที่เวลาทานก็ไปแล้ว มันมันแฮปปี้มั น, happy, ม, นมันรู้รู้นะท า, ทางความคิดนี่รู้ว่าไขามันตกค้างเป็นยังไงรู้ว่ามันมีผลกระทบยังไงแต่มันอยู่บนความรู้สึกเพราะว่าความรู้สึกของผมเนี่ยมันมันนำชีวิตผมแล้วผมกินไปแล้วมันแฮปปี้ผมก็กินจนถึงทุกวันนี้บางครั้งผมก็ลองสู้กับไอไอความรู้สึกนี้อยู่เวลาที่เพื่อนๆสั่งหมูกรอบมาเพราะฉะนั้นในชีวิตของผมเนี่ยผมสังเกตดูว่าความสุข ตลายเป็นเป้าหมายในชีวิตของผมจริงๆมันอยู่บนความรู้สึกว่าทำแล้วมีความสุขหรือเปล่าความทุกข์ของผมความทุกข์ของผมคือการทำการบ้านความสุขของผมคือการช่วยเหลือคนอื่นอยู่กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาตั้งแต่เด็กๆมาการบ้านผมไม่เคยเสร็จเลยแต่การบ้านของเพื่อนเสร็จหมดเพราะผมช่วยการบ้านภาษาอังกฤษของเพื่อนทุกคนเสร็จละเอียดทุกอย่างได้เอหมดเลยการบ้านภาษาอังกฤษของผม ยังไม่เสร็จมาปั่นตอนเช้าเพราะว่าผมทําทุกอย่างหลายครั้งเป้าหมายสูงสุดในชีวิตผมคือความสุขในชีวิตการศึกษาเป้าหมายเดียวของผมก็คือถ้าเรียนไปแล้วมันต้องสนุกนะถ้าครูสอนดีสนุกถ้าวิชาไหนสนุกผมจะเรียนวิชาไหนที่สนุกผมจะได้คะแนนที่ดีแต่ถ้าเมื่ อ, อไหร่ที่ครูคนนั้นเนิบเนิบเหี้ยบ ไม่สนุกเป็นวิชาผมจะไม่ลองเรียนจะพยายามที่จะไม่ลงไมไ่ไปหามันนักเรียนบางคนเนี่ยจะเลือกเรียนวิชาที่ยากๆเพราะรู้ว่ามันเรียนไปแล้ว เ, เขาจะทำให้เก่งขึ้นทำให้มีอาชีพที่ดีมีเงินเดือนที่สูงแต่นักเรียนคนนั้นไม่ใช่ผมตัวผมเองนั้นหลายครั้งทีเดียวยึดอยู่กับความสุขคุณทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ผมเชื่อว่า หลายคนเข้าใจในสิ่งที่ผมกาลังพูดอยู่ถูกไหมครับชชใช่ไหมฮะโอเคเวลาที่ถึงแม้ว่าหลายคนในที่นี้มีวิ น, นัยหลายคนในที่นี้อาจจะเป็นคนที่ใช้ความคิดความอ่านแต่ในเช้าวันนี้ผมอยากจะบอกว่าหลายครั้งในชีวิตของเรานั้นเราเราวางพื้นฐานการตัดสินใจในชีวิตของเราด้วยความสุขจริงๆ เวลาที่คุณเดินเข้าไปในเซเววคุณเลือกที่จะซื้อน้ําผมขอดูมือหน่อยนะครับใครในที่นี้ถ้าเข้าไปในเซเว่นเมื่อไหร่จะซื้อเอาพูดจริงๆเลยนะเอาน้ําอัดลมครับยกมือหนะะ่อยครน้ำอัดลมยกมือสูงๆครับไม่ต้องอายผมก็ซื้อฮ ะ, ะโอ้โหคริสจักรนี้เป็นคริสจักรที่คลีนมากนะครับคือมีสามคนจะซื้อน้ําอัดลมผมขอขอเตือนนะอย่ากโกหกในคริสจักรนะฮะ พระเจาอยู่ในที่นี้นะใครจะซื้อน้ำอัดลมจริงๆอาเดินเข้าไปในเซ1ซื้อน้ำอัดลมยกมือครับอาเริ่มมีมากขึ้นละโอเคโอเครู้สึกผิดใช่ไหมอใครในที่นี้เข้าไปในเซเวจะซื้อชาอมีชายี่ห้อต่างๆซื้อชาชอบชอบกินชาอยกมือครับโอเคโอเคมีเยอะมีเยอะสลปี้มีไหมฮะสลปี้โอเคมีนะน้ําเปล่าโอ้โ คิดสักนี้คลีนจริงๆนะครับส่วนมากเวลาที่คนที่ทำงานเหนื่อยนั่งลงกินข้าวรู้ทั้งรู้ว่าสั่งน้ำอัดลมมาหรือว่าน้ำอื่นๆที่มีน้ำตาลเป็นปริมาณสูงเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เมื่อเรานั่งลงเราก็ถามก่อนเลยว่าแบบซีมีไมโค้กมีไม้แก๊กคัยมีไมคือขอก่อนเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่านั่นคือความสุขพอดื่มเข้าไปแล้วมันรู้สึก ทำไมเราถึงเลือกขึ้นทางด่วนทำไมเราถึงย้อนจ่ายเงินเพื่อทางเพราะมันสบายมันอยู่ในวัฒนธรรมของความเป็นไทยอยู่แล้วครับคนไทยรักสบายรักสนุกรักสะดวกมันเป็นสิ่งที่อยู่อยู่ในตัวงคนไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายครั้งทีเดียวพอมาถึงชีวิตฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณเนี่ยหลายครั้งเราพยายามที่จะใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณเพื่อที่จะยึด ติดกับความสบายความสะดวกความความดีความความความสนุกของมันในชีวิตของของคุณและผมนั้นหลายครั้งทีเดียวคุณจะสังเกตดูถ้าคุณเอาสิ่งที่มันเป็นความสบายความสะดวกความสนุกออกนะคุณจะเริ่มทุลนทุลายเคยหมครับเวลาเวลาในคริสจักรนั่งอยู่แล้วไฟดับหรือว่าในบ้านคุณกาลังดูทีวีอยู่แล้วไฟดับเคยไหมครับ ความ ส, สบายความสุขของคุณทั้งหมดนั้นในสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่คุณครอบครองนั้นพอมันหายไปความอะไรเกิดขึ้นครับความทุกข์เกิดขึ้นมาถ้าเกิดคุณอยากจะดูคนที่มีความทุกข์เนี่ยคุณต้องมาดูที่ชั้นเรียนภาษาอังกฤษของผมไลฟ์เซ็นเตอร์คนนี้มีความทุกข์มากมเลยคือนักเรียนของผมเพราะว่าผมสอนตอนสองทุม่มหมงคึ่งถึง2องทุ่มครึ่ง แล้เป็นสองทุ่มครึ่งของวันพฤหัส ด, ด้วยพอสองทุ่มครึ่งวันพฤหัสมาถึงพอผมสอนเลยเวลามานิดนึงคุณจะเห็นความทุกข์ของนักเรียนเริ่มเกิดขึ้นคนที่หัวเราะเข้าใจผมดีเพราะสองทุ่มครึ่งมีอะไรครับวันพฤหัสใช่แล้วบุพเพสันนิวาสผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ดูนะผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีเวลาจะดูแล้วก็เหนื่อยมากก็ อแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยติดตามอะไรอย่างนี้แต่ว่าถึงกระท h a n ไม่ดูเนี่ยกระแสมันก็ยัดเข้ามาในชีวิตของผมนะรู้เรื่องทุกอย่างเลยเพราะภรรยากับลูกก็ดูอยู่นะแต่ผมเห็นความทุรนทุรายเมื่อเวลามันเลยมาแล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นความสุขมันหายไปความสุขของนักเรียนของผมนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่กับการเรียนภาษาอังกฤษแต่ความสุขของเขามากกว่านั้นก็คือการได้ดูละครที่เขาชอบการได้เรียนภาษาอยุธยา หลายครั้งความสุขของคุณและผมไม่ว่าฝ่ายจิตวิญญาณหรือฝ่ายร่างกายก็ตามมันเหมือนกันคือเราเราให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายแล้วก็ความสุขเหมือนกับเด็กๆที่ที่เล่นของเล่นเคยเล่นของเล่นไหมฮะที่มันมีรูสามรูเป็นรูดาวรูเป็นรูดาวรูวงกลมแล้วก็รูรสี่เหลี่ยมแล้วเราก็เอาเอาไม้ใส่เข้าไปตามตามเชฟของมันเคยใช่ไหฮะ พอมาถึงรูดาวเด็กบางคนพ อ, พอใส่เนี่ยก็ใส่ดาวไปเนี่ยมีความสุขมากเลยแต่มันความทุกข์มันเกิดขึ้นก็ตอนเขาพยายามที่จะยัดเอาวงกลมหรือสี่เหลี่ยมเข้าไปในรูดาวมันมันมันมันใส่ไม่ลงแล้วเขาก็เกิดความเครียดแล้วก็เกิดความทุกข์ผมไม่รู้นะว่าในชีวิตของคุณและผมนั้นแต่ผมผมรู้อยู่อย่างเดียวว่าหลายครั้งทีเดียวเราติดอยู่กับการให้ความสาคัญ กับความสุขแล้วพอมาถึงฝ่ายจิตวิญญาณเราคิดว่าหลายครั้งทีเดียวเราจะเติบโตได้ดีฝ่ายจิตวิญญาณเราจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างดีฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อเรามาถึงที่ที่มีความสุขเมื่อเรามาถึงในที่ที่มันสบายเราต้องหาคริสตจักรที่เจ๋งจริงๆเราต้องหาคริสตจักรที่คนมาเยอะๆเราต้องหาคริสตจักรที่มี power point เราต้องหาคริสตจักรที่ ทีมนมัส ก, การแจ๋งแป้งเราต้องหาคริสตจักรที่มีละครแล้วก็มี ม, มีทุกอย่างเพื่อพร้อมเราต้องหาคริสตจักรที่ที่อาจจะต้องคอยป้อนสมาชิกให้กับเราก็ต้องสามารถที่จะนั่งแล้วก็รับประคําแล้วก็เดินออกไปเช้าวันอาทิตย์เราก็รู้สึกว่าโอ้ oh, วันนี้มาคริสตจักรนี้แล้วดีจริงๆแล้วเราคิดว่าเราจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเราจะรู้จักกับพระเจ้าได้ดีจริงๆ เมื่อเราอยู่ในสภาวะที่มีความสุขตอนนี้เช้าวันนี้เคล็ดลับที่อาจารย์ปาโลเขียนไว้ในพระวจนะคมที่เราอ่านไปเมื่อข้างตน้นอาจารย์ปาโลได้เขียนไว้ว่าอย่า ง, างดีมากมากเพราะว่าเป็นเคล็ดลับที่อาจารย์ปอโลไม่ได้เขียนด้วยความสุขในพระคัมภีร์ฟิลิปปีถ้าเกิดพี่น้องทราบอยู่แล้วพระคัมภีร์ฟิลิปปีนั้นอาจารย์ อาจารย์เปโอลนั้นเขียนขึ้นมาจดหมายเพื่อหนุนใจคริสเตียนในในคริสตจักรฟิลิปปีแล้วก็เป็นอยู่ในบริบทของการที่อาจารย์เปโอลนั้นทนทุกข์มีความทุกข์ทรมานอยู่ในเรือนจําถูกจําคุกอยู่ในนั้นที่กรุงโรมในชีวิตของอาจารย์นั้นขณะที่อาจารย์เขียนจดหมายฉบับนี้ออกไปอาจารย์เปโลถูก ซ้อตรวนอยู่ในความมืดแล้วก็ความเหม็นของคุกอาจารย์เปโลก็ถูกโบยตีอาจารย์ปปโลก็ไม่รู้นั่งอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าจะถูกประหารเมื่อไรแล้วในความทุกข์ทั้งหมดของอาจารย์เปโลในความไม่สบายทางร่างกายไม่สบายทางจิตวิญญาณอาจารย์เปโลเขียนจดหมายในประกาฟิลิปปีมาเป็นพระคำที่มีความสุขมากที่สุดในพระคัมภีร์ ฟิปปีเขาบอกว่าเป็น the happiest book of the bible แปลกมากในสถานการณ์ที่อาจารย์เปโลนั้นมีแต่ความทุกข์อาจารย์ควรจะเขียนออกมาด้วยคําบ่นคำขําครวญเสียงโอดโอยกลับกลายเป็นพระคำที่ให้กําลังใจเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีสิงแรกที่อาจารย์เปโลเขียนในพระวจนะคำอาจารย์เปโลเขียนบอกว่า แล้วเป็นนี่คื อ, อนี่คือเสียงของอาจารย์เปาโล พ, พี่น้องลองลองคิดไปกับผมนะครับขนาดที่อาจารย์เปาโลนั่งอยู่ในคุกขนาดอาจารย์เปาโลเจอกับรอยแผลที่มันเจ็บปวดแล้วก็ความหวังที่มันไม่มีอาจารย์เปาโลพูดออกมาคำนี้คือบอกว่าข้าพระเจ้าต้องการรู้จักพระองค์อเมนไหมครับอา้าวทำไมอเมนเบาจังเลยผมรู้ไม่กล้าไม่ไม่อยากที่จะไปอยู่ในสถานการณ์เหมือนอาจารย์เปาโล ผมรู้เราพูดง่ายมากเลยเมื่อเรานั่งอยู่ในในที่ที่มันปลอดภยัยในที่ที่มันสะดวกสบายแล้วเราก็สามารถที่จะพูดได้อย่างอาจารย์ปโล บ, บอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักกับพระองค์เ่าลอพูดพร้อมกันสิครับข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์ง่ายไหมง่ายแต่คำพูดนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อเราอยู่ในบริบทของความ ทุกยากลำบากแสนสาหัสข้าพเจ้าต้องการรู้จั ก, กพระองค์นี่คือเป็นมิชชั่นสเต t เมนต์ของอาจารย์ปอโลนี่คือเป็นเป้าหมายสูงสุดของอาจารย์ปอโลบางคนบอกว่าอยากได้งานบางคนบอกอยากได้เงินเดือนสูงๆอยากมี Retirement Plan ที่ดีอาจารย์ปอโลบอกว่าข้าพเจ้าต้องการที่จะรู้จักพระองค์และนี่คือสิ่งเดียวนี่คือแรงขับเคลื่อนในชีวิตของอาจารย์ปอโล ตอนที่ผมเป็นนักเทศใหม่ๆกลับมาจากโรงเรียนพระคริสต์ซัมที่อเมริกาอายุ22ปีตอนนั้นยังผอมอยู่ผมคิดว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของผมนั้นและเป้าหมายของผมนั้นชีวิตของผมเป้าหมายสูงสุดของผมในการรับใช้พระเจ้าก็คือการได้เนี่ยยืนขึ้นเทศนาผมคิดว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของผมคือการที่ผมนั้นได้รับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการเทศหรือการสอน ผมคิดว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตผมก็คือการทำมิชชั่นการออกไปเป็นพยานขณะที่ผมเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขึ้นมาเรื่อยๆและอ่านพระวจะนะคำที่อาจารย์ปโลเขียนผมเริ่มเกิดความเข้าใจว่าไม่ใช่เลยผิดธนัดการรับใช้พระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ควรจะเป็นจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณ การยืนขึ้นไปเรียนพระคัมภี์สามเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ควรจะเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคุณเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเรานั้นควรจะเป็นคําพูดของาจารย์เปาโลที่บอกว่าข้าพระเจ้าต้องการรู้จักกับพระองค์ในขณะที่ผมนั่งอาา่านพระวจนะคําตอนนี้อยู่ผมก็คิดในใจว่าเอ๊แต่อาจารย์เปาโลนั้นก็รู้จักกับพระเจ้าดีพอสมควรไม่ใช่เหรอ อาจารย์เปาโลเป็นคนคนหนึ่งที่เขียนพระพระคริสต์ทำคัมภีร์และเขียนเป็นจํานวนหนังสือที่มากที่สุดในพระคริสต์ทำคัมภีร์ใหม่อาจารย์เปาโลนั้นได้มีประสบการณ์โดยตรงและเห็นหน้าพระเจ้าอาจารย์เปาโลถ้าเกิดจะบอกว่ามีคนที่รู้จักกับพระเจ้าจริงๆน่าจะเป็นอาจารย์เปาโลนะแต่อาจารย์เปาโลบอกว่ายังไม่พอครับท่านต้องการที่จะรู้จักกับพระองค์จริงๆอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพระองค์ยังยังยังไปไม่ถึงข้าพระองค์ยังต้องน้องตัววิ่งออกไปเราไปคว้าชัยมันมา ข้าพระองค์นั้นยังไม่ได้มันครอบครองมันมาข้าพเจ้ายังไม่รู้จักกับพระองค์จริงๆข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักกับพระองค์จริงๆคนที่เป็นสามีในห้องนี้มีใช่ไหมครับแต่งงานแล้วเป็นผู้ชายเวลาคุณทําให้ภรรยาของคุณโกรธเคยไหมครับอ๋อไม่เคยเลยเหรอโอ้โหเป็นคริสตจักที่ทั้งคลีนทั้งทั้งดีมากเลยนะ ออไม่กล้ายอมรับถ้าผมถามเวลาที่ภรรยาคุณโกรธใครมามากๆเนี่ยหรือโกรธเพื่อนร่วมงานเขาบอกว่าภรรยาผู้หญิงทุกคนที่ออกไปทำงานจะจะมีคนคนหนึ่งในสำนักงานที่เขาไม่ค่อยชอบเวลาที่ผู้หญิงโกรธอะไรมามากๆเนี่ยหรือสามีทาให้ภรรยาโกรธเนี่ยอาจจะมีประโยคนึงที่ออกมาจากปากของภรรยารู้จักชนน้อยปอร์รรู้จักฉนน้อยปอร์ร หมายความว่าไงหมายความว่าเธอรู้จักฉันนะแต่ถ้าเกิดเธอรู้จักฉันจริงๆเธอไม่ควรจะทำอย่างนั้นหมายความว่าภรรยาสามีที่แต่งงานกันมามีครอบครัวสร้างครอบครัวรู้จักกันมาเป็นเวลานานบางครั้งอาจจะไม่ได้รู้จักกันจริงๆคุณพ่อผมกับคุณแม่ผมตอนนี้ท่านอายุเจบสเจอโอ้แต่งกันมานมนานก็ยัง ไม่รู้จักกันดีพอคุณแม่ก็มาปรับความทุกข์นี่นะไลพ่อเขานี่นี่นี่นี่เราก็นั่งฟังโอ้คุณแม่ยังไม่รู้จักคุณพ่อดีหรอยังไม่รู้จักอาจารย์ปโลบอกว่าข้าพเจ้าเดินมากับพระเจ้านะข้าพเจ้าทนทุกข์มากับพระเจ้าข้าพเจ้าเจอทุกอย่างมากับพระเจ้าข้าพเจ้าทำงานรับใช้พระเจ้าข้าพเจ้าเจอพระเจ้าเป็นการส่วนตัวข้าพเจ้ามีประสบการณ์ชีวิตข้าพเจ้ามีความเหนียวหนึบแน่นในความสัมพันธ์แต่ข้าพเจ้ายังอยากจะรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ป้หมายสูงสุดของจาร์ปโลคือการที่ได้รู้จักกับพระเจ้าไม่ใช่อยู่ในสิ่งที่อาจารย์ครอบครอ ง, รองไม่ใช่อยู่ในความสะดวกสบายของชีวิตแต่การที่ได้เข้าไปรู้จักกับพระองค์จริงๆแล้วในเช้าวันนี้เนี่ยฟังดีๆนะครับพี่น้องฟังอยู่ปะครับในเช้าวันนี้การที่ได้รู้จักกับพระเจ้าจริงๆมันพูดง่ายมากเลย เพราะว่าถ้าเกิดผมจะจบคาเทศก็บอกโอเคกลับไปรู้จักกับพระเจ้ากลับไปอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ไปทําความรู้จักกับพระเจ้าแล้วก็จบอาเมนีนก็จบก็เดินกลับบ้านก็โอเคแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วนี่เป็นความรู้ดั้งเดิมเราจําเป็นจะต้องรู้จักกับพระเจ้าและจันปโลเขียนต่อไปเองจันปโลเขียนอย่างนี้ครับจันปโลบอกว่าพระเจ้าอยากจะรู้จักบริดเดนแห่งการฟื้นคืนพระชน พี่น้องครับมาถึงตรงนี้เนี่ยผมไม่ต้องแบ่งปันอะไรมากเพราะทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ต้องการจะรู้จกักริดเดทของพระเจ้าอยู่แล้วถูกไหมครับฮัลโหลถูกไหมครับเออมีใครไม่อยากจะรู้จกักริดเดทของพระเจ้าบ้างมีไหม ไม่มีทุกคนที่มานั่งอยู่ข้างนี้สอดสวงหาว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตผมได้ยังไงพระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมได้ยังไงพระเจ้าเป็นจริงยังไงเพราะผมอยากจะได้ริดเดทผมอยากจะรู้อยากจะมีประสบการณ์กับริดเดทของพระเจ้ารู้ไหมทำไมวันวันตามซันเดย์ ทำไมเวลาที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลม็มทำไมคนถึงเอาเอาเอาเอาต้นปางเอาใบากิง่งมาวางถอดเสื้อผ้าคลุมแล้วก็ร้องโหสนานะสรรเ ส, ส, สริญพระเยซูลรู้ไหมทำไมเพราะเขาแต่ละคนนั้นได้เห็นประสบการณ์และมีประสบการณ์กับองค์รูุนเจ้าเขาได้เห็นการอัศจรรย์เขาได้เห็นวิถีานุภาพเขาได้เห็นวิเดชถึงความยิ่งใหญ่ว่าพราะองค์แต แต่ตาคนตาบอดแล้วเขาหายพระองค์แตะมือคนง่อยแล้วเขาหายพระองค์ทำให้คนฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทำน้ำไม่เป็นน้ำมูกเขา เ, เคยได้ยินมาเขามีประสบการณ์ทุกคนก็เลยต้องออมามัสการแล้วก็อยากจะเข้าใกล้แล้วก็ติดตามเป็น f อฟซีของพระเยซูนี่คือ ถ้าเกิดเราเอาพระวจนะคำตอนนี้แค่ตอนเดียวเนี่ยแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักกับพระองค์คือรู้จักในฤทธเดชแห่งการฟื้นคืนผูชนถ้าเกิดเอาหยุดแค่้รนี้นะคุณกาลังตกหลุมพรางของฝ่ายจิตวิญญาณเพราะถ้าเรารู้จักกับพระองค์ในบริบทที่มันวู้ฮอลเน่าฮัลโหลย่าเราหายแล้วโอ้ดีมากเลย ถ้าเกิดเรารู้จักกพระองค์ในแค่การที่พระองค์ตอบคําอธิษฐานโอ้มันดีมากเลยแต่มันยังดีไม่พอเราไม่ได้รู้จักกับพระองค์จริงๆคริสเตียนหลายครั้งผมเห็นในการอธิษฐานแล้วผมก็ได้ยินในคําอธิษฐานแล้วขอพระเจ้าเราขอริดเดทขอพระ อ, องค์ทาการอัศจรรย์ช่วยรักษาคนนี้ให้หายทีช่วยทำอนั้นต์ทีๆขอขอสิ่งที่เราขาดอยู่หน่อยขอพระองค์ทรงช่วยครับพระองค์หน่อยแล้วอยากจะมีประสบการณ์กับริดเดทของการตอบคำอธิษฐาน อยากจะได้รับชีวิตอยากจะได้ความสะดวกสบายของชีวิตแล้วหลายครั้งเมื่อพระองค์ตอบคำรีทหาแล้วเราก็ลืมพระองค์ไปเพราะเราเรารู้จากพระองค์ว่าพระองค์ดีขนาดไหนเรารู้จากพระองค์ว่าพระองค์น่ารักขนาดไหนเราเราร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เพราะพระองคนั้นชัดซื่อและพระองค์ไม่ใช่และไม่โอนี่ลองง่ายมากเพราะมันมันมันโอ้พระองค์มาทันเวลา เวลาเราท่องย้อนบทที่สมข้อที่16เพราะว่าอะไรนะครับโอเคผมเชื่อทุกคนท่องได้แต่หลายครั้งทีเดียวเวลาเราท่องพระราจนาคำข้อนี้เราโฟกัสให้ความสนใจอยู่แค่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกแล้วก็เราก็สนใจแค่เราจะได้ชีวิตนิรัน เราก็สนใจแค่วิธิเดชและความดีและความน่ารักและสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้แต่ในเช้าวันนี้เราเคยสังเกตไหมว่ากว่าที่พระองค์จะรักโลกพระองค์ทำยังไงถึงแสดงความรักของพระองค์พระองค์ทำยังไงพระองค์เสียพระบุตรองเดียวของพระองค์เวลาเราเข้ามาฟังพระวจนะคำเราอาจจะได้รับ ความหนุนใจคํากําลังใจให้เดินออกไปนะในวันนี้แน่นอนวันอีสเตอร์ในอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเป็นวันที่สําคัญและเป็นวันที่เราต้องเฉลิมฉลองและเป็นวันที่เราควรจะแสดงความยินดีชื่นชมยินดีเพราะว่าพราะองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเป็นวันที่คริสเตียนนั้นควรจะเดินเข้ามายิ้มแย้มแต่งตัวแบบแจมไซมากเลยเพราะว่ามันเป็นวันอีสเตอร์แต่อย่าลืมว่าก่อนถึงวันอีสเตอร์นั้นเป็นวันอะไรครับ สุขอะไรนะสุขปะก่อนที่จะมีการฟื้นคืนประชนต้องมีการสิ้นพระชนก่อนที่จะเฉลิมฉลองในิกเดทของการฟื้นคืนพระชนอาจารย์ปอโลได้เขียนเคล็ดลับคำพูดคำนี้ไว้คือ ข้าพเจ้านะต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักในฤทธิเดชของการฟื้นคืนพระชนสิ่งที่ดีฮาเลลูยาอาเมนนะแต่รู้จักและรู้จักนะและรู้จักมีการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์การที่เรารู้จักพระองค์ในความทุกข์ของพระองค์ด้วยไม่ค่อยมีใครอยากจะรู้จักพระองค์ในความทุกข์ เพราะหลายคนนั้นชอบพระองค์ในความวิดเดคุณจะสังเกตดูได้วันปาร์สันเดย์คนเป็นหมู่มากเดินตามรองติดตามรองสาวกของรองโอ้ยินดีมากเลยติดตาม VIP อะ่ะคือมีอาลานะแล้วก็ขบวนนะแล้วก็มีคนแหนนะโอ้สาวกเดินเข้ามาอย่างงี้นะฉันเป็น VIP เดินเข้ามาเทมากเลยมีแต่คนโหรองฉันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของพระเยซู แต่เมื่อความทุกข์มาถึงเมื่อสุขประเสริฐมาถึงสาวกไม่ได้อยากจะรู้จักพระองค์เปตโตรไม่ได้อยากจะรู้จักพระองค์เฮ้ยฉันเคยเห็นแกกับกับพระเยซูนี่เปล่าไม่รู้จักแล้วพระคัมพีก็บอกว่าสาวกก็นหนีกระจัดกระจายกันไป ข้าพเจ้าต้องการรู u u yup. u u j j ้จักพระองค์ในความทุกข <Okay. S 1> ์ของพระองค์อยากจะมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์ถ้าเกิดคุณอยากจะรู้จักกับใครสักคนหนึ่งจริงๆไม่ใช่รู้จักแบบผิวเผินนะรู้จักแบบเป็นเป็นเป็นคนสนิทในชีวิตเป็นเพื่อนสนิทในชีวิตเป็นคู่ของคุณในชีวิตคุณอยากจะรู้จักกับใครดีจริงๆ อย่ารู้จักกับเขาแค่ในช่วงที่ดีๆแต่ให้รู้จักกับเขาในช่วงที่ทุกข์ที่สุดและทรมานที่สุดและมีปัญหาที่สุดในครอบครัวงผมในบ้านของผมเราจะมีเขาเรียกว่ากรอบรูปที่เราซื้อมาจากอิมเวลาที่เขามีงานบ้านและสวนเราก็ไปซื้อกรอบรูปที่แบบมันตีมเดียวกันถูกๆมาแล้วเราก็มา วางไว้บนฝาผนังจะเป็นรูปครอบครัวมีใครแหมที่บ้านมีรูปครอบครัวเป็นช่วงเวลาของความทุกข์ของคุณมีไหมมีใครแหมเอาเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็เอาตอนกินมามา่าไม่มีตังแปะไว้ไม่มีเพราะอะไรเพราะในอาลบัมรูปเราเก็บแต่ความทรงจำที่ทำไมดีๆ ที่มีความสุขท่านเ็ถามผมในเชาวันนี้บอกว่าทาไมคุณอาจารย์วราถึงรักภรรยาของอาจารย์ก็เพราะว่าผมนั้นได้ผ่านช่วงเวลาที่มันเลวร้ายไปพร้อมกับเขาคือช่วงเวลาที่ผมนั้นอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ไม่มีอะไรจะกินเพราะว่ามหาวิทยาลัยเขาปิดเทอมทุกคนกลับบ้านผมนั่งจ้อ ง, ง่อ่งอยู่สามเดือนไม่มีอะไรกินผม ผมผ่านช่วงเวลาของความเขาเรียกว่าไม่มีอะไรเลยในชีวิตเนี่ยนะจนก็ต้องแฟนผมบินมาเยี่ยมโอ้พอแฟนบินมาเยี่ยมก็ไปซื้อข้าวมาแล้วก็ออกไปตกปลา ด, ด้วยกันตกปลาเสร็จก็เอาปลามานึ่งแฟนนึ่งให้โอ้โหใส่ตัดขิงไอ้เราก็ทำไม่เป็นแล้วนะไม่อยากจะเชื่อท่ามกลางความทุกข์ของเดือนซัมเมอร์ที่ไม่มีอะไรจะกินเรามีปลานึขิง แล้วมันเป็นความทรงจำที่ทุกทรมานมากเลยแต่มันทำให้ผมนั้นได้รู้จักกับผู้หญิงคนนี้แฟนของผมก่อนที่ก่อนที่แต่ก่อนตอนที่ผมเจอเขาใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะเป็นค่อนข้างที่เป็นคนหนูเดินช้อปปิง้งซื้อของเยอะแยะไปหมดเลยไอ้เราก็คิดในใจโอ้โ oh, หจะเลี้ยงไหวไ้มเนี่ยเม n t ทเนนซ์สูงเหลือเกินแต่พอเราผ่านความทุกข์ท่านั้นแหละเราเห็นเลยว่า เขายอมลงเข้ามาร่วมความทุกข์กับเราอยู่รัฐเคนดา ก, กี้ไม่มีรถสักคันจะไปไหนก็ต้องนั่งรอคนเอ้ยมีใครจะไปวอลมาดบ้างเราก็จะไปเราก็นั่งทนทุกข์อยู่อย่างนั้นก็ภรรยาอยตอนนั้นเป็นแฟ น, น ก, ก็อยู่ร่วมทุกข์ด้วยทําให้ผ ม, ม้เห็นทําให้ผมเข้าใจทําให้ผมรับรู้ว่าคนคนนี้สามารถร่วมทุกข์ในชีวิตของเรา ทั้งๆ ท, ที่เราไม่มีอะไรเลยเขายอมมาร่วมทุกข์ในชีวิตของเราโอ้เราเร า, เรารู้จักกันดีมากยิ่งขึ้นเพราะช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานพอผมโตขึ้นมาอายุสี่สิบยี่สิปีให้หลังพระเจ้าเรียกผมให้ออกมาจากงานผมรู้ทันทีว่าภรรยาของผมผู้ที่เคยทําปลาเนืองขิงให้ผมกินตอนที่ผมไม่มีอะไรเลยภรรยาคนนี้จะเป็นคนที่ ยอมรับน้ำพระทยัยออกไปทำงานโดยที่ผมรับใช้พระเจ้ามีผู้หญิงที่ไหนจะทำอย่างนั้นเพราะว่าผมรู้จากเขาดีเพราะว่าเราทนทุกข์มันด้วยกันเพราะเรารู้ว่าในช่วงเวลาที่อับจนที่สุดคนคนนี้เป็นยังไงพี่น้องครับอาจารย์ปโลนั้นอยากจะหนุนใจคริสเตียนในเช้าวันนี้ คือคริสเตียนที่คริสตจักรวัฒนาทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้อาจารย์เปาโล ก, กำลังเขียนไม่ใช่แค่ในคริสตจักรฟิลิปปินส์อาจารย์เขียนมาหาท่านด้วยคืออย่างนี้ครับหลายคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้คิดว่าท่านมาถึงแล้วท่านขว้าไว้แล้วและท่านเป็นคริสเตียนมานานแล้วก็รับใช้พระเจ้าแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็นำนำมัสการแล้วก็เป็นคริสเตียนที่ไปค่ายถวายทรัพย์ทุกอย่างแต่ในเช้าวันนี้พระเจะนะคำมาถึงอาจารย์เปาโลเองบอกข้าพระองค์ยังไม่ได้ขว้าไว้เลย ข้าพระองค์ต้องการจะรู้จักพระองค์ไม่ใช่แค่ในความสุขและริดเดกของพระองค์แต่ในความทุกข์ทรมานขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ข้าพระองค์นั้นไม่ใช่จะแค่นั่งมองอ่านและทําความเข้าใจแต่ข้าพระองค์จะมีส่วนร่วมในความทุกข์นั้นเมื่อแฟนผมมีส่วนร่วมในความทุกข์ของผม ทำให้ผมรู้จักกับเธอเป็นอย่างดีเห็นในมุมมองใหม่ไม่ใช่เป็นคุณหนูอีกต่อไปทำให้เห็นถึงหัวใจของเขาทำให้เห็นถึงสิ่งที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตถ้าเกิดผมเขียนพระคัมภีร์ก็ต้องอเขียนพระคัมภีร์เกี่ยวกับแฟนผมผมก็ต้องเขียนบอกว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักมาทาหรือแฟนของผมอาจารย์ปอลนั้นเรียนรู้เคล็ดลับซึ่งอาจารย์ปอโลอยากจะถ่ายทอด ให้กับเราในเช้าที่สำคัญวันนี้พี่น้องฟังดีๆนะครับถ้าเกิดยังไม่ได้อะไรกลับไปในเช้านี้ขอยฟังตรงนี้อาจารย์เปโลนั้นทำไมผมถามตัวเองทำไมอาจารย์เปโลถึง ยอมทนทุกข์ลาบากในคุกยอมเชื่อฟังประกาศทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าต้องถูกจมจําคุกอยู่แล้วทำไมอาจารย์เปโลถึงต้องก้าวเท้าและใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเดินทางไปทั่วทั่วแคว้นนั้นเลยนะแล้วก็เดินทางทํามิชชั่นทริปหลายๆอย่างทำไมอาจารย์เปโลถึงต้องต้องลงทุนชีวิตถูกเรือล่มบ้างงูฉกบ้างโดนตักตัําบ้างโดนหักหลังบ้างทำไมอาจารย์เปโลถึงต้องใช้ชีวิตให้มันทนทุกข์ทรมานทําไมอาจารย์ไม่ไปเป็นสิทธยาพิบาลของโบสถ์บสถ์หนึง่งแล้วก็อยู่ที่นั่นแล้วก็เทศนาที่นั่นอยู่ นั่นหละเพราะอาจารย์ปรโลรู้ถึงเคล็ดลับนี้ว่าอาจารย์ปรโลจะไม่มีวันรู้จักกับพระเยซูคริสต์เป็นอย่างดีถ้าอาจารย์ปรโลไม่ร่วมความทุกข์ไปกับพระองค์ที่สหรัฐอเมริกามีคนกลุ่มหนึ่งทำงานกับอนุชนและคนกลุ่มนี้ ทำงานพิเศษมากเลยกับอนุชนโดยเฉพาะอนุชนที่เป็นเขาเรียกว่าคนเอเชียที่เกิดที่อเมริกาเป็น A.B.C.American Born Chinese แล้วก็มีทุกอย่างคุณพ่อแม่มีร้านอาหารจีนมีทุกอย่างแล้วกเ็เขาก็สะดวกสบายชีวิตมีความสุขหมดเลยเขาก็เลยไม่ได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณกลุ่มคนนี้ก็พาเด็กพวกนี้แหละที่ที่เติบโตขึ้นมาในคริสตจรที่ปลอดภัยที่ดีมากเลยพาเข้าไปแล้วก็ไปไปเดินป่าประจนภัยโดยที่ไม่มีพ่อแม่ โดยที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารโดยที่ไม่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกวันที่เข้าไปวันแรกเด็กต้องเจอกับความเหงาเจอความไม่รู้เรื่องเจอความโหดของการแบกของเจอความตั้งเต็นจุดไฟหิวโหยยุ่งกัดเจอกับความทุกข์ยากทรมานภายในเวลา 3- ถึงหวันเขาออกมาจากปลายข้างหนึ่งกลายเป็นคนใหม่ทําไมรู้ไหมเพราะความทุกข์ความทุกข์นั้นเปลี่ยนแปลง แล้วทำให้คนสองคนรู้จักกันได้อย่างดีในเช้าวันนี้เราควรจะยอมให้พระองค์เราไม่ควรจะเดินไปกับพระองค์ในในแค่ปามซันเดย์เราควรจะเดินไปกับพระองค์ใน Good Friday ด้วยเราควรจะเดินกับพระองค์ไปถึงไม้กางเขนด้วยเพราะเวลาพระองค์เรียกเรามาเป็นสาวกของเราพระองค์บอกแล้วนี่ถ้าใครใครจะตามเรามาให้เขาทำไม ปฏิเสธตนเองใช่ไหมรับการเข็นรับแบกและตามเรามาพระองค์บอกไว้แล้วคือคือการที่เราจะเป็นสาวกที่แท้จริงการที่เราจะรู้จักกับพระองค์ที่แท้จริงคือการที่เราต้องร่วมเดินไปบนถนนเส้นนั้นกับพระองค์เราควรจะยอมให้พระองค์พาเราไปสู่ความยากลำบากในชีวิตสู่ความทุกข์ในชีวิตสู่ปัญหาในชีวิตเพื่อเราจะรู้ว่าพระองค์นั้นขัดเกลาชีวิตของเราเพื่อเราจะรู้จักและเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์ ผมขอยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งในปี2011มหาวิทยาลัยแอริโซนาทำการวิจัยเขาไปสร้างโดมขนาดใหญ่ปิดล้อมป่าไว้แล้วเขาอยากดูว่าการที่เขาอยู่ในโดมแล้วอยู่ในระบบนิเวศ ท, ที่เขาควบคุมได้จะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ควบคุมระบบนิเวศของป่านั้นทั้งหมดให้คนเขาไปอยู่ในนั้นหนึ่งเดือน กรองน้ําให้สะอาดบริสุทธิ์กรองอากาศให้อากาศบริสุทธิ์กรองแสงให้แสงมันอุ่นๆพอดีให้ต้นไม้เจริญเติบโตทุกอย่างกําลังไปได้สวยแต่สิ่งที่เขาไม่เข้าใจก็คือว่าทําไมต้นไม้ทุกต้นเลยเวลามันโตขึ้นมาถึงระดับหนึ่งมันล้มด้วยตัวมันเองกลับไปวิจัยใหม่ค้นพบว่าเขาลืม ตัวแปรหนึ่งในระบบนิเวศนั้นคืออะไรรู้ไหมคือลมต้นไม้ทุกต้นต้องการลมแล้วลมที่แรงพอสมควรมันจะทำให้รากของต้นไม้นั้นยึดลงไปในพื้นมันจะทำให้เปลือกไม้นั้นแข็งตัวขึ้นเร็วกว่าต้นไม้ที่ไม่ได้โดนลมมันทำให้ต้นไม้เข้มแข็ง ต้นไม้ที่อยู่ในพายุ บ, ยบย่อยๆจึงมีหญ้ารากที่ยังลึกลงไปพี่น้องครับชีวิตของเราจะเดินติดตามพระองค์ไปด้วยความสะดวกสบายแล้วก็ความสนุกเราก็จะรู้จักกับพระองค์ได้แค่ระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณละผมนั้นยอมที่จใจพระองค์นั้นใช้ยอมที่จะบอกกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ยอมเจอกับความทุกข์ยากลําบาก ข้าพระองค์ยอมแล้วเจอกับความจนถ้าพระองค์ใช้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะไปข้าพระองค์จะทําข้าพระองค์จะลุกจากเก้าอี้ตัวนี้แล้วย้อมที่จะเชื่อฟังย้อมที่จะลำบากเพื่อพระองค์คุณจะเห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนในชีวิตของคุณในฐานะที่ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษผมขอสอนภาษาอังกฤษสองคำวันนีน้เราไม่ได้มาฟังเทศอย่างเดียวนะเรามาเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะครับ คำแรกเลยอยากจะสอนคำแรก sympathy โอเก่งมากนะครับทุกคนต้องลบลิ้นนะครับ sympathy ดังๆครับ sympathy Sy <mp> ถูกต้อง sympathy จริงๆแล้วแปลถ่ายง่ายมากเลยครับแปลว่าการเห็นการการที่เห็นอกเห็นใจเขาเวลาที่เรามี sympathy กับใครเนี่ยเราเห็นอกเห็นใจเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลย เป็นการที่เรามองเขาแล้วแล้วเราก็เ อ, อเห็นใจเขาว่าสงสารเขาว่าอยากจะช่วยอะดีไหมแต่มีคำหนึ่งที่อยากจะสอนฟังดีๆนะครับคำนี้คำว่า empathy อ่ะพร้อมกัน empathyempathy Emp นี่คืออีกระดับหนึ่งไม่ใช่แค่เห็นอกเห็นใจนะการที่เหล่านั้น เข้าไปถึงสถานการณ์ที่เขาอยู่เข้าใจในความเจ็บปวดของเขายอมลงไปในสถานการณ์ที่เขาอยู่ลงไปในความทุกข์ของเขาไปอยู่กับเขาในความทุกข์ในความทุกข์ของคนคนหนึ่งที่เขาอยู่ในหลุมแล้วเขาตะโกนขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าช่วยด้วยฉันออกไม่ได้คนคนนี้คนที่เป็นคนที่เป็นเอมเปอรี่นะเอมเปอี่ก็จะปีนลงไปในหลุมแล้วก็บอกว่าฉันเข้าใจความมืดของหลุมนี้ฉันเข้าใจว่าเธอเป็นยังไง ส่วนเอ็มเปอีนะเอ็มเปอตีก็ชะงกหน้าลงมาในหลุมเอ้ยเป็นไงบ้างอะเอ้ยมันมืดใช่ไหมโอ้หน้าเห็นใจนะเอ่อเอ่อเอาเอาเงินไปไหมให้ช่วยอะไรได้บ้างเดี๋ยวอธิษฐานเผื่อนะพี่น้องครับเวลาที่จันเปาโล บอกว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักกับพระองค์ไม่ใช่แค่ในวิดเดทันการฟื้นคืนพระชนนะจันปะโลใช้คําคําหนึ่งคําว่าที่เราจะมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์ไม่ใช่แค่อ่านพระคัมภีร์แล้วเราเข้าใจว่าพระองค์ทุกอย่างไงเห็นภาพของพระองค์ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วโอ้ยน่าสงสารจังเลยแล้วก็เออเราไม่น่าทําบาปเลยแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็กลับบ้าน แต่เป็นการที่เราตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตเดินไปในความเชื่อฟังพี่น้องฟังดีๆนะนี่คือจุดที่สำคัญมากๆเลยพี่น้องจำเป็นจะต้องเชื่อฟังพระองค์เพราะการเชื่อฟังพระองค์นั้นแน่นอนนำมาถึงการที่ขัดใจเราไม่สุขหรอกมันเป็นความทุกข์ของเราเวลาที่ลูกผมอยากได้อะไรบางอย่างแล้วผมขัดใจเขาเนี่ยเขามีทางเลือกเขาคือเชื่อฟังผมกับตามใจตัวเอง ถ้าเกิดเขาตามใจตัวเองเขามีความสุขมากเลยแต่เมื่อเขาขัดใจผมเฮ้ยเมื่อเขาขัดใจตัวเองแล้วเชื่อฟังผมเนี่ยนะเขาจะทุกข์ทุรนทุรายทำด้วยน้ำตาแต่เขาจะค้นพบว่าเขารู้จักสิ่งที่ดีที่มาจากผมเขารู้จักว่าพ่อดีอยังไงแล้วพ่อหวังดียังไงพี่น้องครับในเช้าวันนี้ท้าพระเจ้าถ้าถ้าเกิดคุณเดินมากับพระองค์บนปาลมซันเดย์แล้วคุณจําเป็นต้องเดินกับพระองค์ต่อไปจนถึงไม้กางเขนจริงๆ อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในในพระคัมภีร์นี้นะพระคัมภีร์ฟิลิปปีผมอยาก ใ, ให้พี่น้องกลับไปอ่านพระคัมภีร์ฟิลิปปีทั้งหมดเลยอาจารย์เปาโลมีคําดีๆที่อาจารย์เขียนโดยเน้นถึงหัวใจของข้อนี้เลยบอกว่าเพราะว่าสําหรับครับเจ้าการมีชีวิตยอยู่ก็เพื่อเอาเออขอบคุณมากมีคนเดียวที่ตอบเอาใหม่เพราะว่าสําหรับครับเจ้าการมีชีวิตยอยู่ก็เพื่อพระคริสต์การตายก็ได้กาไร จันเปโลเขียนบอกว่าแปลว่าอะไรที่ข้าพเจ้าเคยเป็นกําไรของข้าพเจ้านะข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนไปแล้วเพราะพระคริสต์ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งกานขาดทุนเพราะเหตุว่าคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักกับพระคริสต์องค์พระบุญเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่างและถือว่าทุกสิ่งนั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกําไร จะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณจะเกิดอะไรขึ้นในคริสตสักนี้ถ้าคุณยอมที่จะร่วมทุกข์ยอมเชื่อฟังยอมออกมาจากความสะดวกสบายของชีวิตและแบกกางเขนแล้วติดตามพระองค์ไปจนชีวิตจะหาไม่จริงๆจะเกิดอะไรขึ้นขอพระเนะครับในเช้านี้ท้าทายชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณคุณจริงให้เราร่วมใจในฐานครับ ข้าแต่พระดาจ้าข้าพระองค์ขอสารภาพบาปที่หลายครั้งข้าพระองค์นั้นติดในความสะดวกสบายฝ่ายจิตวิญญาณข้าพระองค์ชอบมากเลยที่จะได้เดินเข้ามาในปามซันเดย์แล้วก็ในนมัสการพระองค์แล้วก็อยู่บนยอดเขาของการนมัสการแต่พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์อยาให้ข้าพระองค์นั้นอยู่ตรงนั้นที่ข้าพระองค์นั้นจะติดตามพระองค์ลงไปในหุบเขาเงามัจจุราชและจะเดินไปกับพระองค์ในที่ที่ข้าพระองค์กลัวขอพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์รับรู้และเข้าส่วนกับพระองค์ในความทุกข์ยากลาบากของพระองค์ขอชีวิตของข้าพระองค์ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเหมือนกับที่พระองค์ได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนขอให้ข้าพระองค์จะน้อมรับ ความทุกข์และปัญหาการขมเหงเพื่อข้าพระองค์จะรู้จักกับพระองค์เป็นอย่างดีขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระ เ, เยซูคริสต์เจ้า